ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งรเรื่องพระโกนทฐานเถระภาคที่หเรื่องที่สของวักที่ส0บทันทวักวรนนาข้อความเบื้องต้นพระศัส ด, สดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระเถระชื่อโกนทัานาะตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่ามาโวจะพรุ่ง กันจิเป็นตน้นตอนรูปสตรีติดตามพระเถระไปทุกแห่งดังได้สดับมาจมเดิมแต่วันที่พระเถระนั้นบวชแล้วรูปสตรีรูปหนึ่งเที่ยวไปกับพระเถระแต่พระเถระไม่เห็นรูปสตรีนั้นส่วนมหาชนเห็นเมื่อท่านแม้เที่ยวบินทบาทอยู่ภายในบ้าน พวกมนุษย์ถวายพิกษาทัพพีหนึ่งแล้วพูดว่าท่านครับส่วนนี้จงเป็นของสําหรับท่านแต่ส่วนนี้สําหรับสตรีผู้สหายของท่านดังนี้แล้วก็ถวายพิกษาแม้ทัพพีที่สองตอนบุพกรรมของพระเถระถามว่าบุรพกรรมของท่านเป็นอย่างไรตอบว่า ได้ยินว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากสปะภิกษุสองรูปเป็นสหายกันได้เป็นผู้กลมเกลียวกันอย่างยิ่งดุดลอดจากคันมารดาเดียวกันก็ในการแห่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนมายุยืนภิกษุทั้งหลายย่อมประชุมกันเพื่อประโยชน์แก่การทำอุโบสถทุกๆหนึ่งปีหรือทุกๆ6เดือนครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นแม้ท่านทั้งสองรูปนั้นก็ออกไปจากที่อยู่ด้วยคิดว่าจากไปสู่โรงอุโบสถตอนเทวดาแกล้งทําพระเถระให้แตกกันเทวดาผู้เกิดในชั้นดาวดึงผู้หนึ่งเห็นท่านทั้งสองแล้วคิดว่าภิกษุเหล่านี้ช่างกลมเกลียวกันเหลือเกินเราอาจทําลายภิกษุเหล่านี้ได้หรือหนอดังนี้แล้ว ได้มาในลำดับเวลาที่ตนคิดแล้วนั่นแหละเพราะความที่ตนเป็นผู้เกเรในภิกษุสองรูปนั้นเมื่อภิกษุรูปหนึ่งกล่าวว่าท่านผู้มีอายุขอท่านจงรออยู่สักครู่หนึ่งผมมีความต้องการถ่ายอุจจาระจึงเนรมิตเพศเป็นหญิงมนุษย์คนหนึ่งในการที่พระเถระเข้าไประหว่างผู้ไม้แล้วออกมา เอามือข้างหนึ่งกล้ามวยผมข้างหนึ่งจัดผ้านุ่งเดินตามออกมาข้างหลังพระเถระนั้นท่านไม่เห็นหญิงนั้นแต่ภิกษุรูปที่ยืนอยู่ข้างหน้าซึ่งคอยท่านอยู่เหลียวมาแลดูเห็นหญิงนั้นทําอย่างนั้ น, น, นเดินตามออกมาตอนรังเกียจกันด้วยศิลเพศเทวดานั้นรู้ภาวะแห่งตน อันภิกษุนั้นเห็นแล้วก็อันตรทานไปภิกษุรูปนอกนี้คือที่คอยอยู่พูดกับภิกษุนั้นในเวลาที่มาสู่ที่ใกล้ตนว่าผู้มีอายุศีลของท่านทำลายเสียแล้วภิกษุนั้นกล่าวว่าผู้มีอายุกรรมเห็นปานนั้นของผมไม่มีภิกษุนอกนี้กล่าวว่าเดี๋ยวนี้เองหญิงรุ่นสาว เดินตามออกมาข้างหลังท่านทำกรรมชื่อนี้ผมเห็นแล้วท่านยังพูดปฏิเสธได้ว่ากา ร, รมเห็นปานนี้ของผมไม่มีภิกษุนั้นปานประหนึ่งถูกสายฟ้าฟาดลงที่กระหม่อมกล่าววิงวอนว่าผู้มีอายุขอท่านจงอย่าให้ผมฉิบหายเลยกา ร, รมเห็นปานนั้นของผมไม่มีจริงๆภิกษุนอกกนี้ก็พูดว่า ผมเห็นด้วยในตาทั้งสองเองจากเชื่อท่านได้อย่างไรดังนี้แล้วก็แตกกันดุดท่อนไม้แล้วหลีกไปแม้ในโรงอุโบสถก็นั่งด้วยตั้งใจว่าเราจะไม่ทำอุโบสถร่วมกับภิกษุนี้ภิกษุนอกนี้แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านครับจุดดำแม้เท่ า, มาเมล็ดงาย่อมไม่มีในศีลของผม แม้ภิกษุนั้นก็กล่าวยันว่ากำลามกนั้นผมเห็นเองตอนเทวดาขยายความจริงเทวดาเห็นภิกษุรูปที่คอยนั้นไม่ปรารถนาจะทำอุโบสถร่วมกับภิกษุรูปที่ตนแกลง้งนั้นหวนคิดว่าเราทำกำหนักแล้วดังนี้จึงชี้แจงว่าความทำลายแห่งศีลของพระฟูเป็นเจ้า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 บุรพกรรมของเทวดามีประมาณเท่านี้ก็ในเวลาสิ้นอายุพระเทระเหล่านั้นได้บังเกิดในเทวโลกแสนสบายตอนเทวดามาเกิดเป็นพระโกนทัฐานะฝ่ายเทวดาบังเกิดในเอเวจีแล้วหมกไม้อยู่ในเอเวจีนั้นสิ้นพุทธดอนหนึ่งในพุทธ ป, ประบาดการนี้ได้บังเกิดในกรุงสาวัตถี ถึงความเจริญวัยแล้วได้บรระชาอุปสมบทในพระศาสนาตั้งแต่วันที่ท่านบวชแล้วรูปสตรีนั้นก็ได้ปรากฏอย่างนั้นนั่นแลเพราะเหตุนั้นแลภิกษุทั้งหลายจึงได้ขนานนามท่านว่าโกนทถาฐานะตอนพวกภิกษุบอกเครือขัดให้ขับไล่ภิกษุทั้งหลายเห็นท่านเที่ยวไปอยู่อย่างนั้น จึงบอกอนนทปินติกาเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีท่านจงขับไล่ภิกษุผู้ทูศีล ร, รูปนี้ออกจากวิหารของท่านเสียเพราะว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นแก่ภิกษุที่เหลือเศรษฐีท่านผู้เจริญก็พระศาสดาไม่มีในวิหารหรือภิกษุมีอยู่ท่านเศรษฐีเศรษฐีท่านผู้เจริญ ถ้ากระนั้นพระสัสดาคงจกทราบภิกษุทั้งหลายก็ไปแจ้งแม้เก่นางวิสาขาอย่างนั้นเหมือนกันถึงนางวิสาขาก็ได้ให้คําตอบแก่ภิกษุเหล่านั้นอย่างนั้นเหมือนกันฝ่ายภิกษุทั้งหลายอันท่านเหล่านั้นไม่รับถ้อยคำของตนจึงได้ทูลแด่พระราชาว่ามหาบ พ, พิธภิกษุชื่อโกนทัฏฐานะ พาหญิงคนหนึ่งเที่ยวไปจะยังความเสียหายให้เกิดแก่ภิกษุทุกรูปขอมหาปพิธทรงขับไล่ภิกษุนั้นออกจากแว่นแคฝนของพระองค์เสียพระราชาก็ภิกษุนั้นอยู่ที่ไหนเล่าพวกภิกษุอยู่ในวิหารมหาปพิธพระราชาอยู่ในเสนาสนะหลังไหนพวกภิกษุ ในเสนาสนะชื่อโนโนพระราชาถ้าเช่นนั้นขออารัธนาพระคุณเจ้าไปเถิดข้าพเจ้าจากสั่งให้จับภิกษุรูปนั้นตอนพระราชาเสด็จไปสอบสวนพระโกนทัฏฐานะในเวลาเย็นท้าวเธอเสด็จไปวิหารรับสั่งให้พวกบุรุษล้อมเสนาสนะนั้นไว้แล้ว ได้เสด็จผินพระพักตรงที่อยู่ของพระเถระพระเถระได้ยินเสียงเออะจึงได้ออกจากวิหารยืนอยู่ที่หน้ามุขพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นรูปสตรีแม่นั้นยืนอยู่ข้างหลังพระเถระนั้นพระเถระทราบว่าพระราชาเสด็จมาจึงขึ้นไปยังวิหารนั่งอยู่แล้วพระราชาไม่ทรงไหว้พระเถระ ไม่ได้ทอบพระเนตรเห็นแม้สตรีนั้นเท้าเธอทรงตรวจดูที่ซอกประตูบ้างที่ใต้เตียงบ้างก็ไม่ได้ทรงประสบเลยจึงได้ตรัสกับพระเถระว่าท่านขอรับผมได้เห็นสตรีคนหนึ่งในที่นี้เขาไปไหนเสียพระเรถระทูลว่าอาตมาภาพไม่เห็นมหาพพิธแม้เมื่อพระราชาตรัสว่าเมื่อกี้นี้ ข้าพเจ้าเห็นสตรียืนอยู่ข้างหลังท่านก็ทูลยืนกรานว่าอาตมาภาพไม่เห็นมาหอพิษพระราชาทรงดําริว่านี่มันเป็นเรื่องอะไรหนอแล้วตรัสว่าขออนิมนต์ท่านจงออกไปจากที่นี้ก่อนขอรับเมื่อพระเถระออกไปจากที่นั้นยืนอยู่ที่หน้ามุกสตรีนั้นก็ได้ยืนอยู่ข้างหลังของพระเถระอีก พระราชาทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นแล้วจึงเสด็จขึ้นไปชั้นบนอีกพระเถระทราบความที่พระราชานั้นเสด็จมาแล้วจึงนั่งอยู่พระราชาแม้ทรงตรวจดูสตรีนั้นในที่ทุกแห่งอีกก็มิได้ทรงประสบจึงตรัสถามพระเถระนั้นซ้ำอีกว่าสตรีนั้นมีอยู่ณที่ไหนขอรับพระเถระ อาตมภาพไม่เห็นสตรีนั้นมหาบาพิษพระราชาขอท่านโปรดบอกเถิดขอรับเมื่อกี้นี้เองผมเห็นสตรียืนอยู่ข้างหลังของท่านพระเถระขอถวายพระพรมหาบาพิษแม้มหาชนก็พูดว่าสตรีเที่ยวไปข้างหลังอาตมภาพส่วนอาตมภาพไม่เห็นสตรีนั้นเลยตอน พระราชาทรงสันนิษฐานว่าเป็นรูปเทียมพระราชาทรงกำหนดว่านั่นพึงเป็นรูปเทียมแล้วรับสั่งกับพระเถระอีกว่าท่านขอรับขอท่านจงลงไปจากที่นี้ดูทีเมื่อพระเถระลงไปยืนอยู่ที่หน้ามุกก็ได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นยืนอยู่ข้างหลังของพระเถระนั่นอีกครั้นเสด็จขึ้นไปข้างบน ก็กลับไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นเท้าเธอทรงซักถามพระเถรละอีกเมื่อท่านทูลยืนกรานคำเดียวว่าอธรรมาภาพไม่เห็นก็ทรงสันนิฐานได้ว่านั้นเป็นรูปเทียมแน่จึงตรัสกับพระเถรละว่าท่านขอรับเมื่อสังกิเลคคือเครื่องเศร้าหมองเห็นป่านนั้นที่เาติดตามไปข้างหลังท่านอยู่ คนอื่นใครๆจกไม่ถวายภิกษาแก่ท่านท่านจงเข้าไปพระราชวังของข้าพเจ้าหนึ่งนิดข้าพเจ้าจากบำรุงท่านด้วยปัจจัยสี่ทรงนิมนต์พระเถระแล้วก็เสด็จหลีกไปตอนพวกภิกษุตีเตียนพระราชาและพระเถระภิกษุทั้งหลายยกโทษว่าผู้มีอายุทั้งหลายการทั้งหลายจงดูกิริยาของพระราชาผู้หลามก เมื่อพวกเราถุนว่าขอพระองค์ทรงขับไล่ภิกษุนั้นออกจากวิหารเสียก็เสด็จมากลับนิมนต์ภิกษุนั้นด้วยปัจจัยสี่แล้วเสด็จกลับภิกษุทั้งหลายก็กล่าวกับพระเถระนั้นว่าเฮ้ย hey! คนทุศีลบัดนี้พระราชากลายเป็นคนชั่วแล้วแม้พระเถระนั้นในการก่อนไม่อาจจะกล่าวอะไรอะไรกับภิกษุทั้งหลายได้ บัดนี้กล่าวตอบทันทีว่าพวกท่านเป็นผู้ทุศีลพวกท่านเป็นคนชั่วพวกท่านพาหญิงเที่ยวไปภิกษุเหล่านั้นไปกราบทูลแด่พระศัสดาวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เริญพระโกนทศานนะอันข้าพระองค์ทั้งหลายว่ากล่าวแล้วกราบกล่าวด่าต่างๆเป็นต้นว่าแม้พวกท่านก็เป็นผู้ทุศีล พระศัสดาทรงไต่สวนทั้งสองฝ่ายพระศัสดารับสั่งให้เรียกพระโกนท่าทานน้ำนั้นมาแล้วตรัสถามภิกษุว่าภิกษุข่าวว่าเธอกล่าวอย่างนั้นจริงหรือพระเถระกราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่าพระศัสดาเพราะเหตุไรเธอจึงกล่าวอย่างนั้นพระเถระ เพราะเหตุที่ภิกษุเหล่านั้นกล่าวกับข้าพระองค์พระสัสดาภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุอะไรแม้พวกท่านจึงกล่าวกับภิกษุนี้อย่างนั้นพวกภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เห็นหญิงเที่ยวไปข้างหลังภิกษุนี้จึงกล่าวอย่างนั้นพระสัสดาในว่า ภิกษุเหล่านี้เห็นหญิงเที่ยวไปกับเธอจึงกล่าวขึ้นอย่างนั้นส่วนตัวเธอไม่ได้เห็นเลยเหตุยไหนจึงกล่าวกับภิกษุเหล่านี้อย่างนั้นเล่าผล น, นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยทิฏฐิลามกของเธอในการก่อดไม่เช่หรือเหตุไรในบัดนี้เธอจึงถือทิฏฐิลามโมกอีกเล่าพวกภิกษุทุ้นถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ภิกษุนี้ได้ทํากรรมอะไรในปางก่อนทีนั้นพระสัสดาตรัสบุรพกรรมของท่านแก่ภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุเธออาศัยกรรมลามกนี้จึงถึงประการอันแปลกนี้แล้วปัดนี้การที่เธอถือทิฏฐิอลามกเห็นปานนั้นอีกไม่สมควรเธออย่ากล่าวอะไรๆกับภิกษุทั้งหลายอีก จงเป็นผู้ไม่มีเสียงเช่นกังสดานอันเขาตัดขอบปากแล้วเมื่อทำอย่างนั้นจากเป็นผู้ชื่อว่าบรรลุพระนิพพานดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนทีแสดงธรรมจึงได้ทรงภาษิตพระกาาถาเหล่านี้ว่ามาโวจะพุสังกัญจิวุตตาปฏิวเด ย, ยุตัง ดุกาหิซารัมภะกะ่าปฏิดันดาฟุสเสยุตังสเจเนเรสิอัตานังกังโซอุปหโตยะ่าเอสะปัตโตสินิบานังซารัมโพโตเตนวิชตีติเธออย่าได้กล่าวคำหยาบกับใครๆชหล่าอื่นถูกเธอว่าแล้วจะพึงว่าตอบเธอ เพราะการกล่าวแข่งขันกันให้เกิดทุกข์อาชยาตอบพึงถูกต้องเธอพี่ว่าเธออาจยังตนไม่ให้หวั่นไหวได้ดังกังสดานที่ถูกกำจัดแล้วไซเธอนั่นย่อมเป็นผู้บรรลุพระนิพพานการกล่าวแข่งขันกันย่อมไม่มีแก่เธอแก้อัดเบ ร, รดาบทเหล่านั้นบทว่ากัญจิ ความว่าอย่าได้กล่าวคำหยาบ ก, กับใครๆคือแม้กับบุคคลผู้หนึ่งบทว่าวุตตาความว่าคนเหล่าอื่นถูกเธอกล่าวว่าเจ้าพวกทูศีลพึงกล่าวตอบเธอบ้างอย่างนั้นเหมือนกันบทว่าซารามพก า, า่าขึ้นชื่อว่าการกล่าวแข่งขันเกินกว่าเหตุนั้นให้เกิดทุกข์ บทว่าปฏิดันดาความว่าเมื่อเธอประหารผู้อื่นด้วยอาชญาทั้งหลายมีอาชญาทางกายเป็นต้นอาชญาตอบเช่นนั้นแหละพึงตกลงเหนือกระหม่อมของเธอบทว่าสเจเนเรสิความว่าถ้าเธอจักอาจทำตนไม่ให้หวั่นไหวได้ไซบาประกาศถาว่ากังโซ่ อุปหโตยาธาความว่าเหมือนกังสดานที่เขาตัดขอบปากทำให้เหลือแต่พื้นวางไว้จริงอยู่กังสดานเช่นนั้นแม้บุคคลตีแล้วด้วยมือเท้าหรือด้วยท่อนไม้ก็ย่อมไม่ดังสองบทว่าเอสปัตโตสิความว่าถ้าเธอจักอาจเป็นผู้เห็นปานนั้นได้ไซ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 พวกเจ้าเป็นผู้ทุศีลดังนี้ย่อมไม่มีคือจักไม่มีแก่เธอเลยในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นแล้วแม้พระกนทธานนาเยระตั้งอยู่ในพระโอวาทที่พระศาสดาประทานแล้วก็ได้บร ร, รลุพระอรหัตผลต่อการไม่นานัก ท่านได้เหาะขึ้นไปในอากาศจับสลากเป็นครั้งแรกดังนี้แลเรื่องพระโกนท่าฐานะเถียระจบ